มันเอาไปฝากฝากไปหาอะไรหรอวะอดูกมัวนี่เอาป่าเขาป่านู่นนรอวะทําไมนี่ปฏิบัติไม่รู้หนักรู้เบาไม่รู้ปิดรู้ถูกไม่รู้สมมาคาระวะควรไม่ควรอย่างนี้หรือปฏิบัติธรรมะอวะดุยิ่งกินมัวนี่องค์เทียวก็ไม่เคยได้ยินแล้วดูเมื่ได้ยนินก็จะชัด ค น, น, น ท, ทุกชั้นทุกชั้นนั่นหลือปาต้นพิคุลพี่แกนเดลือไปไหนก็อย่างนั่นเหลือก่เดีววลาพูดทุสวรรอับมันด้เป็นอย่างนี้นั่นหรือของวิเศษต้นพิคุลนั่นเหลือ่อนทำวิเศษทำไมต้อง ม, มีคำหนึ่งไปไหนจเอานี่ไปยุ่งไปทาลายหมดนั่นเหลือวิเเนี่ยเอาหนักทีาาละ ว, วัน จะก็อยู่นั่นนี่นู่นเอนปลาก็ป่านั่นน่ะว่ะนั่นทำไง่าเขารุกูวาจา์เนี่ยนี่เป็นประโยคแรกต้อง ถ, ถืออันนี้ก่อนควรไม่ควร น, นี่ก่อน ต, ตุนมาที่คุณใส่รถฝากรดฝ า, า, ากมาอืมไอ้เอาวัดฝากมาเพื่อทำผ้าห มันทําได้หลวงคอถ้าคนจะคิดบ้างเล็กๆน้อยๆหน่ยนะยวาถ้าไม่คิดก็ทําได้อย่างนี้แหละวะ่ะกันต้นไม้ทางโน้นมันโอดเลี้ต้นไม้ที่จะบําเพ็ญธรรมนัธรรมเพื่อเพื่อธรรมทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดูท่านอาศัย ร, ร่มไม้มานน่นอะนี่แต่ต้นที่คุณเท่านี้เหร อ, หรอต้นพิคุณนี่มันเป็นต้นหด ขนมตำยมเบเกอี่ของโลกเขาเขาใช้ทำ อ, อยู่ทั่วไปนั่นมันเป็นเรื่องของโลกทำไมต้องไปยุ่งอย่างนั้นล่ะวะพูดขนาดนั้นมันเป็นยัมันเป็นใครมาเลยเปรียปร้ยวเปี้ยวเตี้ยนบางคนไม่สิดแล้วเป็นยังไงก็เป็นยังไงก็ไม่คำอย่างนั้นเะครันอ๋อได้มันได้หรอฮอนฝากไป ดียคนจะเรีนน้อมากก็ฟังได้ทีก็จะเห็นแต่เราดุว่าเราดุองมีเหตุผลเมืองกายอะไรนะฉันดูเวลาได้เวลาอล้วอย่างพระเท่าไหร่นี่วนนี้เวลานี้นะ สามสเจ็ดพระยี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนุ่นฟังดิเน้นหกวนันใช่ไหมห้าสิบสามันไม่เมื่อยเอานั่นมาเริ่มได้แล้ว